สมโมทธนิยกถาให้ฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารามีพวกเราจะรู้เรื่องราวต่างๆได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังวันนี้เป็นวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2005 ร้อยห้าเป็นวันออกพรรษาเย็นวันนี้พระตอนบ่ายตอนบ่ายพระสงฆ์ก็ได้ประวรณาออกพรรษาพร้อมกันแล้วก็ตอนเย็นนี้ก็คณะจตหาิาจมมาไ่ายพระแล้วก็ทำวัดเย็นแล้วก็จะมีการฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องราว ที่จะควรจะรู้ให้กับคณะจัทธารญาติโยมได้ฟังแล้วก็วันนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าในพรรษาหนึ่งท่านเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็วันนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยของเรา อันเนื่อมาหลายปีที่มาดูบั่งไฟพญานาในลําแม่น้ำโขงแต่วันนี้คนมั่นใจว่าคนทั้งสองฝักากฝั่งก็คงจะแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างใครก็อยากจะสนใจอยากจะรู้อยากจะเห็น ว่าเป็นจริงอย่างมากน้อยแค่ไหนเมื่อเห็นแล้วก็ต่างคนก็ต่างแต่คิดพิจารณากันไปต่างๆนานาบางคนก็ไม่น่าเชื่อแต่บางคนก็ไม่เชื่อและเป็นเพราะอะไรทําไมมันมีบั่งไฟหรือมันมีไฟดอกกลวงขึ้นมาจากน้ําแต่วันอื่นๆทําไมไม่มีมันทําไมมีแต่เฉพาะวัน ออกพรรษาวันประวารณาเนี่แหละเป็นปัญหาข้างขาใจของพี่น้องประชาชนผู้ได้พบเห็นแต่ตามไม่จริงเรื่องเรามันเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่มีใครจะพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์ก็คงจะพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ผิดถูกๆ ก, ก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นจริงไหม ที่เป็นบังไฟพญานาคอันนี้เราก็โยนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพญานาคเพราะมานาครักษาแม่น้ำลำทานเป็นกายยสิทธิ์ส่วนหนึ่งคือพญานาคตามไม่จริงถ้าหากว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมก่ถ้าถามในใจว่าพญานาคมีจริงหรือไม่หลวงพ่อหลวงพ่อก็ ตอบได้ทีเดียวว่าถ้าหากว่ า, าปฏิเสธว่าเทวดาไม่มีนาคไม่มีครดไม่มีพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์พระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์เพราะพระไตรปิฎกพูดถึงมนุษย์สัตว์ที่ไร้ฉานเปรตนรกแล้วก็ภูมิมะลุกขเทวดา เทวราชั้นต่างๆแล้วก็พรมแล้วก็นาคแล้วก็ครดแล้วก็นิพพานมีมีชั้นภูมแตกแตกต่างกันอย่างพวกเราเนี่ยเห็นตั้งแต่มนุษย์และสัตว์ที่ารฉานชัตว์ที่รฉานในเราเห็นแล้วกับมนุษย์มนุษย์กับสัตว์ที่ไรฉานอาหารแลกแตกต่างกัน แต่มนุษย์ต่อมนุษย์ก็เหมือนกันบางแห่งอาหารก็แปดแตกต่างกันสัตว์ทิ่ไราฉันแต่ละกลุ่มแต่ละภาคแต่ละพวกอาหารแปกแตกต่างกันบางประเภทก็กินแต่หญ้าบางประเภทก็กินเนื้อเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นสรรพสัตว์ในโลกเนี่ยสิ่งที่ลึกลับ มีมากมายที่เรามองไม่เห็นเพราะนั้นเราอย่าพึ่งปฏิเสธอย่างบังไฟพญนาคในเหมือนกัน เ, เราก็อย่าพึ่งพูดว่าใช่หรือไม่ใชเ่เรามีหูสองข้างฟังใช่และไม่ใชเ่เราต้องฟังไว้อีกเหมือนกัน เ, เพราะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีสิ่งที่สลับซับซ้อนมีมากต่อมากแต่ขนาดเขาพิสูจน์ ดวงดาวในท้องฟ้านาซาเขาพิสูจน์มาแล้วกี่ปีจากนั้นเขาขึ้นไปดวงดาวได้กี่ดวงและอยู่ในทซองฟ้านะ่ยมีกี่ดวงไปถึงดวงไหนบ้าง อ, อันนี้ก็คือมันยังอีกเยอะแยะที่เราจังไม่ได้สำรวจยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเพียงแค่นี้เทียงมอตามองเห็นอย่างนี้เราก็ยังพิสูจน์ยังไม่ ยังไม่จบแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นอีกในโลกนี้มีต่างเยอะแยะในหลักของพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังว่าถ้าหากว่าปฏิเศสพราะพญานาคไม่มีพระไตรปิฎกคงจะไม่ครบคงจะขาดอย่างเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ไปนั่งอยู่ที่ขอบสบุตรมจรินกับพญานาค พญานาคมาแผ่พังพานขนดล้อมรอบพระพุทธเจา้าเพื่อไม่ให้ฝนตกเพราะในช่วงนั้นฝนตกพอเดือนพฤษภานะเน่ยเดือนหกฝนตกพระองค์ก็ไปนั่งฝนตก7วัน7คืนก็พญานาคเป็นผู้แผ่พังผ่านาให้ปกป้องพระพุทธจเจ้าจึงมีพระนาคปกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น แต่ตัวพญานาคนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็พญานาคเป็นเป็นกายยศิตเป็นแต่ประเภทจัดเป็นสัตว์ที่รฉ า, านแต่มีฤทธิ์อำนาจในหลักธรรมคำสอนของพทุทธเจ้าท่านมีฤทธิ์อำนาจพญานาคแต่เป็นกายยศิตรจำแรงตัวรื้นนิรเมตรตัวหรือว่าทำ อ, าอะไรทำร้ายทำลาย ก็ได้มากมายอย่างพระไตรปิฎกสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราก็ได้เสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตนามสายยาของหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นฉายาหรือนามพระนามของพระโพธิสัตวสมัยหนึ่งพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระนาคราชชื่อว่าโพริทัตโตภูริทัต ต, พตพะพญานาคชื่อว่าภูริทัตตะ นาคาราทอันนั้นคือคือส่วนหนึ่งแต่ทอนี้ในพระตไตรปิฎกก็มีมากหลากหลายแต่หลวงพ่อจะสาธกด้วยวการพูดให้เป็นแนวชาดกให้ฟัง เ, เรื่องพญานาค ก, กับพญคตคดกับนาคแต่เป็นอริเป็นศัตรูกันนะคดก็เป็นผู้จำแรงเพศได้เหมือนกับนาคไม่แพ้กัน แต่ว่านากกับคร ด, ดนี่เป็นอริัตรูกันสรุปท่านเปรียบเทียบว่าครดนี่เหมือนเหมือนเหยี่ยวพญานาคเป็นงูงูเหยี่ยวเหยี่ยวนึกกินงูอันนี้ก็เหมือนกันทั้งที่เป็นเป็นเทพพญานาคเป็นเทพพรคุดก็เหมือนกันแต่ครดนี่กินนาคแปลกเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นผู้มีเล็ดด้วยกัน แต่ฤทธิอำนาจของโคุนี่เหนือกว่าเหนือกว่าพญานาคเหนือกว่านาคที่ท่านพูดในในพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อได้ฟังแต่ท่านในเรื่องนี้พระพรรงสเสด็จประทับอยู่ที่กรงสาวัตถีนะแล้วก็ท่านปาราบถึงพระเทวทัตที่ไม่รักษาสัจจะแล้วก็ ทำให้เสียหายในผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะไม่รักษาสัจจะวาจาร์ผุดอย่างหนึ่งแล้วก็ผุดอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นในชาติที่แล้วชาติก่อนก็มีอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นเงื่อนงาพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนหน้อพระเจ้าค่ะ ที่พระเทวทัตอยู่รักษาสัจจะอา้าวตั้งใจฟังจากนั้นพระองค์ก็พูดเกี่ยวกับพญานาคเลยสมัยหนึ่งพญานาคนาคขึ้นมาจากแม่น้ําเขาเห็นว่าฤาษีอยู่ในป่าหิมพ า, านต์อยู่ในที่สงบสงัดบาเพ็ญตระปะท่นี้นาค ก, ก็ไปก็ไปเห็นฤาษีเข้าไปก็ไปกราบไปกราบฤาษี แต่ก็ฤาษีก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรว่าเป็นมนุษย์เพราะจำแรงตัวเป็นมนุษย์เข้าไปกราบแต่พอคุ้นเคยรู้จักนานเข้าก็านาค ก, ก็เลยบอกว่าผมนี่ เ, เป็นนาคนะแต่จำแรงตัวเป็นมนุษย์มากราบพระคุณท่านจากนั้นฤาษีก็เอเอก็รู้จักว่า น, นี้คือคือนาคนะต่อมาอกที่ครถ ก็ ه, เที่ยวอยู่ในละแวกนั้นก็อเอเขาว่าลือศีอยู่ในป่าหิมพานเนี่ยเราน่าจะไปกราบลือีแต่ในโคดนี่ยก็จาแรงตัวเป็นมนุษย์เหมือนกัน เ, เข้าไปเพื่อจะไปกราบลือศีแต่ี้พญานาคนาคนะเห็นเห็น อ, อยู่อยู่กับลือีก่อนแล้วนะ่ะนั่งสนทนากับลือศีก่อน ตอี้พอเห็นครุดเข้าไปเท่านั้น่ะจําแรงเป็นมนุษย์ครุหนึ่งก็จำแรงเป็นมนุษย์เหมือนกันนะแต่พอเห็นแล้วพอหน้าเห็นครุดเท่านั้นแหละอันนี้ก็คือใครข้ามันแพ้ทางกันมันเห็นกั น, นรู้เลยอันนี้ไม่ใช่มนุษย์มันเป็นครุดพญานาคเขาพอเห็นเท่านั้นเขาก็เลยรีบลาลาฤาษีเลยท่านที่สิครับผมกลับลาครับเพราะว่าท่านั้นก็ไปแบบรีบเร่งรีบรวด จากนั้นโครดก็เข้าไปกร า, กาบฤฤษีกระถามว่าเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ใครมาหาท่านทำไมเรีบไปฤฤษีก็บอกว่าอันนี้เมื่อกี้เนี่คือครดอันคือหน้า เ, เขามากราบแล้วเราก็ไปท่านี้ครดนี่ก็มีความข้องใจอยู่ เ, ยเรื่องเรื่องใหญ่คือก่อนหน้านี้เนี่ย พยาโคดกับพญานาคเวลาจะลงไปจับพญานาคในท้องมหาสมุทรคือเมืองบาดาลพื้นบาดาลเมืองพญานาคเวลาจะลงไปจับพญานาคพยาโคดจะจําแรงตัวให้เป็นเหวียวตัวใหญ่เทนั้นแหะเหี่ยวตัวใหญ่แปลว่ากระเพือปีกพอกระเพือปีกขึ้นมาน้ําทะเลนจะแหวกลงไป กระเพือกกระเพือเข้าไปกระพือน้ํำทะเลก็แวกแวกแวกเออแต่ทีก็พอเห็นพญานาคพอเห็นพญานาคพญานาคก็ไม่มีที่ไปเพราะคดมันแว ก, แวกน้ําทะเลลงไปด้วยปีกของมันคดพญานาคก็สู้ชูคอสู้กับพญาคดคดน่าก็จับปลากคอพญานาคเลย จับลากงูนะพงพญานาคเป็นงูนะจับลากคอขึ้นไปพอลากขึ้นไปถึงงูจะเอาหางพันก้อนหินพันอะไรก็ตามพอนาพอครุดดึงขึ้นไปอย่างแรงนะเนี่ยแปลว่านากไม่ยอมแพอ้อันนี้คือแต่ก่อนเก่ามาแต่พอมาช่วงหลังๆทานี้นาเขาพิวัฒนาการขึ้นมาเท่นี้ เขาก็เราบอกโอ้ไม่ได้เออเวลาคดมามันลากคอพวกนาคนยพวกเราก็ควรจะกลืนก้อนหินเข้าไปในท้องให้มันหนักแนทีนคดก็เลยพญานาค ก, ก็เลยกลืนก้อนหินเนี่ยเข้าไปในท้องกลืนเข้าไปเต็มที่แล้วงั้นแต่นี่พญาคดก็บินแหวกน้ำทะเลลงไปพอเห็นพญานาคชูคอขึ้นมาคดก็จับ พอไปยานา ก, กลากขึ้นไปมันเลือ克拉กไม่ขึ้นแท้นี่ยเพราะว่าหินอยู่ในท้องคุดนั้มันหนักในท้องนาคมันหนักก็พอกำลังดึงลากขึ้นไปกูลังกูตังอยู่นะน้ํามหาสมุทรก็มาพร้อมกันพอดีนะ้นําก็ไหลเข้ามาพอดีท่วมคดุดคุดก็ตายไปมากต่อมากอันนี้คือ วิชาของนาคที่เอาชนะคดุดต่อมาเมื่อคุดเข้าไปถามไพากาพฤษศีก็เลยไปถามท่านลือศีว่าลือีเอ๊ะทไมตะกอนเวลาจับนาคขึ้นมาเนี่ยจับมากินได้แต่ข่าวลังช่วงหลังๆมานี่เนะ่ยคดตายเพราะนาคไปลา ก, ลากนาคไปขึ้นคุดตายไปเยอะแยะแล้วตระกูลของข่าไอตระกูลเนี่ยก่อนตระกูลของคดุด มันเป็นเพราะอะไรขอให้ท่านลือศีถามถามนาคดูนะถ้านาคเข้ามาให้ท่านถามถามดูให้ผมด้วยท่านฤือีเนะี่ยท่านก็ไม่รู้อันนี้คือครุฑนะต่อมาพญานาค ก, ก็มากราบาตามวันและเวลาที่เหมาะมาลือีก็เอ่ยถามนะพญานาคนาคได้ยินว่าคุฑเขาลงไปจับนาคแล้วก็น้ําท่วมคุฑ ตายเป็นเพราะอะไรมันมีอะไรตะกรทําไมลากได้กินได้เอารากขึ้นมากินเปโอมันคือกินอาหารกินลําไส้ของพญานาคเลยแควจิกกินลําไส้ของพญานาคพญานาคพอได้ยินลือศีถามเท่านั้นเอ้ยท่านลือศีถามพบได้ยังไงอันนี้เป็นความลับของตระกลูลใไพได้ท่านจะถามอย่างนี้ต่อไปยศนะอย่าถามนะ พอว่าเท่านั้นพญานาก็เดินออกไปเลยไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าพลุสีถามถาม เ, าเรื่องคอขาดบาดตายของตระกูลใช่ไหมจากนั้นคุพยานาก็หนีออกไปพอต่อมาเดี๋ยวหน้าก็คิดถึงฤๅษีเีกเลก็เลยไปถามพอไปถามฤๅษีก็เอาธน า, เ, า, เ, าเราก็ถามอยากจะรู้เท่านั้นเอง ท่านจะรักษาความสัตย์ไหมท่านจะใช่เรารักษาความลับไม่มีอะไรเรารักษาความลับอยู่แล้วเราเป็นพระรักษาสัตว์เราเป็นฤาษีเราสัจจะอยู่แล้วเราจะไม่โพดในสิ่งที่มันเอานะท่านยาโพดให้ใครเด็ดขาดนะท่านรนะู้ลแล้วเนี่ยเออรับรองอไม่โพดหมายมันปันมือเหมาะหรือพญานาคก็เลยบอกให้ว่าบอกฤาษีว่านี่นะ ที่คุดเขาไปจับพญานาคนะียเขาไปลากคอพญานาคขึ้นมาเพราะนาค ก, กลืนก้อนหินเข้าไปในท้องท้องมันหนักมันลากไม่ขึ้นถ้าว่าพญาคุดฉลาดนะไม่ต้องจับคอไปจับหางเพอพญานาคชูคอไปจับหางลากขึ้นเลยพอลากขึ้นมาเนี่ยก้อนหินจะไหลออกจากปากพญานาคเลยนั่นแหละมีเท่าไหร่จับได้มด อันนี้อย่าพูดเด็ดขาดนะ้เป็นความลับของตะระกูลนะนรือสีนะถ้าท่านพูดไม่ได้นะจิบหายนะเออเ็เราจะรักษาจะไม่พูดรือสีรือสีอยู่ปาผีมะพร้านพอจากนั้นพยาโคอง เ, เข้ามาดิเข้ามาก็เลยถามเป็นเป็นไงรือสีได้ความลับไหมโอ้ได้ไเป็นเรื่องอะไรโอ้ถ้าหากว่า โคดเนี่ยไปลากคอขึ้นมาพยายามหนักเกินก้อนหินมันหนักมันก็ตายหมดแล้วจะไหลลากไม่ขึ้นถ้าฉลาดน้อยก็ไปคว้าใส่หางเนี่ยลากขึ้นเลยได้เลยละ่ะตายก้อนหินไหลออกจากปากห น, า น, านักโคตดหนนากทําไมโง่นักทำไมบอกความลับของตัวเองความลับของตระกูลให้ คนอื่นฟังความลับไม่ควรจะพูดให้กับใครฟังถ้าพูดให้ไปลำอั line, นตรายความลับนี่นะความลับของตระกูลโงน่นักนาคเนี่ยเพราะว่าท่านโคตรก็เลยลาออกจากฤาษีเลยไปถึงฤาษีขึ้นนะไปกระเพือปิดอย่างที่ว่าดนะแหวกน้ำทะเลพอแวกน้ำทะเลพญานาคก็โชว์คอ ข, อขึ้นมาอีกจะสู้กับพญาโคตร พยาคุดเนี่ยไม่จับคอแล้วแต่จับหางนะพอจับหางขึ้นมากรากขึ้นมาก้อนหินก็ไหลออกจากปากของพญานาคน้า ก, ก็รู้เลยเลยว่าอันนี้คือความลับของตระกูลไปถึงฤาษีแล้วจากนั้นพญานาค ก, ก็เลยบอกกับพยาคุดที่เขาจับหางโอ้พยาคุดเอ้ยความลับ ของข้าเนี่ยข้าไปพูดกับฤศีเพราะความไว้ใจภัยจึงตามมา เ, เพราะความไว้ใจภัยจึงตามมาเนี่ยอันนี้ก็คือคำคำที่เป็นสุภาษิตของพญานาคพูดกับพญาครุฑพญาครุอเอยยากโง่แก่โง่เองทําไมความลับของตระกูลจึงไปพูดให้กับฤศีฤศีฝั่ง ความลับแล้วไม่ควรจะพูดให้กับใครฟังทั้งหมดชื่อว่าความลับท่านเนี่ยมันงออ่อพญานาคโอ้ยยอมรับะพญาคุดเลยถือยังไงก็ขอชีวิตไว้ด้วยเถิดข่านนี่ผัดพลังไปเสีแล้วข้าวนี่พญาคุดก็เลยบอกเออเอาเราให้อภัยเราให้อภัยไปแต่ต่อไปอย่าทำอีกนะ ต้องระมัดระวังนะปากนะระวังปากตัวเองนะแต่นี้พอแล้วกับพญาโคตรก็ลงไปปล่อยลงไปใกล้ๆกล้กระลือสีพญานาคก็ชวนโคตกว่ปะปะเข้าไปหาลือสีด้วยกันทางโคตรโอยไม่ไปหรอกตะแก่ก็ไปไปซะพอพญาโคตรเนี่ยคิดยังไงยังไงพญานาคต้องฆ่าลือสีแน่แน่วันนี้ยเพราะลือสี ไม่รักษาสัจจาเลยแล้วพญานาคก็เลยไปตามลำพังไปพยาคุดก็คอยอยู่ข้างนอกนะคอยอยู่ข้างนอกไปเข้าไปด้วยแล้วพญานาก็เลยเข้าไปเพาท่านฤาษีที่ท่านให้สัจจะกับผมว่าท่านจะไม่เปิดเผยความลับให้กับใครท่านได้เปิดความลับให้กับคนอื่นแล้วใช่ไหมให้กับคุดแล้วใช่ไหม รือสีกมบหมู่บูบอมบเพราะว่าตัวเองได้พูดจริงๆนะพูดไม่ออกอท่านบอกอรับคำาจากข้าพเจ้าหรือไม่ว่าจะไม่เปิดเผยคำนี้เพราะเป็นความลับของตระกูลนะใช่ไหมใชไไ่ได้รับคำแต่ท่านได้เปิดไหมเปิดเผยคนอื่นฟังไหมรือสีกัหมูกบอบหมู่บอบไม่ตอบ พญานาคก็เลยตั้ ง, งสัจจะอะไร้ด้วยสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าได้บอกกับฤาษีแล้วว่าจะไม่ให้เปิดความลับแต่ท่านฤรืสีสนี่เปิดความลับของตระกูล เ, เป็นไปด้วยความไม่ถูกต้องด้วยสัจจะวาจาที่ข้าพเจ้ารักษาสัตเนี่ยให้เศรษฐีาเศรษฐีเปิดเผยความลับให้ หัวเศรษฐีเนี่ยสีสาของเศรษฐีเนี่ยแตกเจดภาคในเดี๋ยวนี้พอพญานาคอธิษฐานสัจจะวาจาจบลงตรงนั้นหัวลือีก็แตกเหมือนกระแตงโมอะไปังเหมือนกับค้อนทุบแตงโมนะแตกเป็นเจดภาครือสีก็เลยตายแหพอตายจะแล้วพญานาคออกมามาพบกับคุดคุดก็เออเอาแบบนะเป็นเพื่อนกันนะไปต่างคนต่างไป เพราะนั้นคดกับนาคก็เลยในคู่นั้นก็นเลยต่างคนก็ต่างอยู่ด้วยกันต่างอยู่ต่างคนต่างไม่มีพิษภัยกันตอนนี้ท่านมาสรุปในชาดกว่าในชาตินั้นผู้เป็นฤาษีเกิดเป็นฤาษีคือพระเทวทัตผู้เป็นพญานาคคือพระสาลิบุตพรพญาคดคือเราตถาคตทีลนะถ้าบุคคนกลุ่มเดียวกัน ถึงจะยังไงก็ไม่ฆ่ากันถึงจะถึงเขาถึงจะฆ่ากันก็ฆ่ากันไม่ลงเพราะเหตุไรเพราะว่ า, เ, าเป็นคนกลุ่มเดียวกันถ้าว่าคนต่างกลุ่มกันแล้วนะ่ะอย่างที่เทวทัตนะกับภาษาริบุตรฆนะ่ากันแบบฆ่ากันได้ง่ายทีเดียวเลยนี่แหละเรื่อ น, นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องความลับแล้วควรจะรักษาแล้วก็ไม่ควรไว้ใจ ไว้ใจคนที่คนไว้ใจอย่าไปพูดให้คนที่อื่นฟังในความลับเพราะความไว้ใจภัยจึงตามมาอันนี้แหละคือพญานาคที่หลวงพ่อวันนี้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมในประเทศไทยและต่างชาติเขาไมานั่งรอคอยที่ฝั่งแม่น้ำโขงคอยฟังคอยดูบังไฟพญานาคขึ้นจากลําแม่น้าโขง แต่หลวงพ่อบอกว่าบางไฟพญานาคน่ยบางไฟไม่พัฒนาหลวงพ่อว่านะไม่เหมือนบางไฟญี่ปุ่นบางไฟญี่ปุ่นจุดขึ้นมาเนะ่ยเป็นดอกเป็นดวงเป็นโลบอะไรต่อมิอะไรแต่บางไฟพญานาคไม่ใครๆไปดูเหมนไม่รู้ว่กี่ปีน ะ, อะพอจุดขึ้นมาเป็นสีแดงเหลือขึ้นมาเป็นดอกไฟขึ้นมาสีแดงเหลือขึ้นมาที่แรกก็บปศ ขึ้นมาห่างจากน้ําประมาณ45หเมตรจากนั้นก็เป็นแสงเหลือขึ้นไปบนฟ้าจากนั้นก็หายไปเลยเอ้ยอันนี้ก็คือเป็นป้งไฟพญนาคเป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันแต่บางคนไม่เชื่อพอไปเห็นกับตาแล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้าจะว่าคนไปอยู่ข้างล่างนะั่นก็ไม่น่าจะใช่ใครจะไปทําอะไรอยู่ข้างล่างให้จุดน้ําขึ้นมาก็ไม่น่าจะใช่เขาก็เห็นมาตั้งแต่ โบราณการเไปถามคนในคนเก่าแก่ดึกตําบรรอายุเป็นห้าหกเจ็ดสิบปดสิบเก้าสิบคนโบราณเขาก็เคยเห็นเขาก็บอกว่า เ, ออเป็นบั่งไฟผีเขาว่างัง น, นะเพราะว่าเขาไม่รู้จักว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะเอออยาไปพูดจะไปพูดเดี๋ยวเป็นบั่งไฟผีเดี๋ยวผีมันมาเล่นงานฮนะออคนเดิมมากุลบโบราณเขากลัวผีอยู่แล้วใช่ไหม เ, ออเขาบอ่อยอยาพูดจะพูด อันนั้นคือบา ง, งไฟผีนี่แหละอันนี้คนโบราณถ้าเราสืบสอบตามประวัติดูแล้วคนเขาเคยเห็นมาตั้งแต่นมนานทีเดียวนะเรื่องอย่างนี้แต่ถึงยังไงเรื่องอย่างนั้นไม่ใช่ของแปลกของในโลกนี้ที่เราไม่รู้ไม่เห็นมีต่างเยอะแยะไปหมด อ, อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าดาวในท้องฟ้านะเราขึ้นไปสารวจเพียงดวงสองดวงเองที่เป็นร้อยเป็นพัน มากมายเรายังไม่ได้สำรวจนะสิ่งลึกลับยังมีอยู่ในดวงดาวเหล่านั้นเพราะนั้นสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราจะรู้หมดทุกอย่างมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านปรารถนาเป็นพระพุทธะสยามภูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรท่านรู้ได้หมดแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเรารู้ทั้งหมดแต่ไม่ใช่เราจะนำมาสอน ให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายรู้ทั้งหมดถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้กระทำให้ลกสมองไม่เกิดประโยชน์อะไรวิชาต่างๆเราตถาคตรู้แต่สอนเข้าไปแล้วมันไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสมีแต่ผูกมัดให้ติดอยู่ในโลกวัตะสงสารเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้หนีจากโลกวัตะสงสารได้นะคือแนวอริยมรรค หนทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากอาสวักิเลสนี่เราสอนเพียงเท่านี้ท่านก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังพระพุทธองค์เจ็จประทับอยู่ที่ลิมสะแห่งหนึ่งอยู่ในป่าจากนั้นพระองค์เมื่อพระองค์ประทับนั่งพระสงฆ์ทั้งหลาย5 0 0องค์ก็นั่งลงพอนั่งลงพระพุทธองค์ก็เอามือกวาดในพื้นดินเพราะเป็นัเป็นช่วงที่ใบไม้ร่วง คงจะเป็นช่วงที่เดือนกุมภามีนากระมังพระองค์ก็กวาดใบไม้ประดูได้กํามือหนึ่งในประหารของพระพุทธองค์พระองค์ก็ถามดูดว่าสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายใบไม้ที่หล่นในพื้นดินเน่ยกับใบไม้ประดูที่อยู่ในลบในกํามือของเราตถาคตเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์กต็ตอบว่าใบไม้อยู่ในพื้นแผ่นดินมากกว่าพระเจ้าค่ะ อยู่ในพหัชของพระพุทธองค์มีหน่อยหน่อยนิดตนัเองพระองค์บอกว่านี่แหละสงทั้งหลายทมคำสอนของเราตถาคต 84,000 พันพระธรรมขันธ์เนี่ยที่เราสั่งสอนเวนยัยตัดพุทธบริษัทให้ถึงมรรคผลถึงสวรรค์ น, นิพพานเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดหลุดพดจากอาสวะกิเลส น, นี่แหละความรู้ที่เราให้พูดเพียงกำรร ม, มือเดียว แต่เรารู้เรื่องต่างๆรู้เรื่องของโลกสตราอาวุธคณิตศาสตร์วิทยาศ า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาสตร์เรื่องอะไรต่อไม่อะไรเหมือนใบไม้อยู่ในในแ ผ, แผ่นดินแต่ว่าเราสอนไปแล้วมีแต่ให้พวกท่านทั้งหลายติดข้องอยู่ในโลกวัตฏรสรงสารติดสอนเท่าไรก็ยิ่งติดยิ่งเป็นตังเมยยิ่งเป็นกาวตราซางติดจิตติดใจ หกท่านทหลายหนีจนไม่ออกเพราะฉะนั้นเราตถาคตยังไม่สอนสอนแต่เฉพาะที่สิ่งที่จะหนีออกจากโลกไม่มาเวียนไหวาตายเกิดนี่แหละคือพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมมขันนี้นี่แหละอันนี้ ค, คือความเป็นมาของพุทธะไม่ใช่เพราะพุทธองค์ไม่รู้เพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันเทศกาลออกพรรษาแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับบั่งไฟพญานาค แนวแถบจังหวัดน้องคายอุดรพี่น้องประชาชนทุกภาคของประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติอีกต่างหากได้หลั่งไหลกันมาพิสูจน์มันดูปั้งไฟพญานาคประจําทุกปีเนี่ยแล้วก็ในวันนี้อีกวันออกพรรษาเนี่ยพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ปรารภว่าพญานาคมีไหมตามแนวแถวของพุท ธ, ธก็ยังหลวงพ่อได้ชี้แจงให้กับคณะทศไทญาติชมได้ฟังนะ เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ขอพูดจบลงเท่านี้ก่อนน ะ, อะตอนนี้ไปพวกเราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิในตีน่านนะฟังเทศสักกันหนึ่งแล้วค่อยเลือกกัน